การไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 1. รอดได้เพราะผู้นำ 2. ออุปชายะที่ถูกต้องตามธรรม 3. าอาจารย์ที่ถูกต้องตามธรรม 4. ผู้ควรมีสิทธิอุปถาค 5. เทระดี 6. เทระที่ไม่ต้องระวัง 7. เทระบัณฑิต 8. เทระไม่วิปริต 9. เทระไม่โลเลหลายแบบ1ิบ พ่อไม่ค่าลูก 11. สมภารถูกหลัก 12. สมภารไม่ติดถิน่น 13. สมภารไม่ติดที่อยู่ 14. สวรรค์ของสมภารเจ้าวัด ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิแปดว่าด้วยการไม่เสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปฏิปักค์ันของหมวดเกอันว่าด้วยการเสียความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รอดได้เพราะผู้นำภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วโคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวตราดูฝั่งแม่น้าคงคาทางฝากนี้ แล้วได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐภากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวโคบาลผู้นั้นได้ต้อนเหล่าโคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ไว่ายตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคใช้งานมีกาลัง และเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ว่า้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่นมันก็ได้ว่า้ตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นพวกลูกโคและโคที่สู้พร้อม มันก็ได้ไหว้ตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีเช่นกันภิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นไหว้ไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ไ่า้ตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีเช่นเดียวกันอีกข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรข้อนั้นเป็นเพราะโคบานผู้นั้นเป็นบัณฑิตจริงอย่างนั้น โคบาลชาวมคตเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์ในเดือนท้ายฤดูฝนตรวตราดัวฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฝากโนนตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดเรื่องโรคนี้ฉลาดเรื่องโรคอื่น เป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมรตยูฉลาดเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมรตยู dag. ชนเหล่าใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพรามเหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจกเป็นไปเพื่อความสุขเป็นประโยโะชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นซึ่งกราลนานภิกษุทั้งหลาย บรรดาเหล่าโคอุสภพะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงได้ไ่ว้ตดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันได้ข้อฉันนั้นเราภิกษุผู้เป็นอรหันตสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิควรธรรมปรงภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสัญชน์ในภพสิ้นรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากกระแสแห่งมารถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเราโคผู้ที่ใช้งานมีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกใช้งานได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุอนาคามีผู้เกิดผล ข, ขึ้น และปรินิพพานในชั้นสุทธาวาดน้นไม่จำต้องวกกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยตเปื้องตามห้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีไม่มีถอยกลับอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายเหล่าโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นรุ่นก็ได้ว่าแตดตรงกระแสแม่น้าคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดี ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยสามและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจากมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสะแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลาย เราลูกโคและโคที่สู้ผอมก็ได้ไว่ายตัดตรงกระแสะแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญญาสามมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้ที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ข้างหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสะแห่งมาร ตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีได้ในภายหลังอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นไหวไปตามเสียงร้องของแม่ก็ได้ไหวตัดตรงกระแสะแม่น้ําคงคาถึงฝั่งฝากโน้นโดยสวัสดีภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้แล่นไปตามกระแสะแห่งธรรมผู้แล่นไปตามกระแสะแห่งศรัทธาแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสะแห่งมาร ตรงไปยังฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีได้ในภายหลังสุดอย่างเดียวกันแลอุปชฌายะที่ถูกต้องตามธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าอย่าง เเป็นอุปชัยยะให้อุปสมบทได้ทำ5อย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือพิษุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอเศัยขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นอเศัขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นอเศัขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยกองวิมุติอันเป็นอเศัยขะห เป็นผู้ประกอบเปรีย ก, กองวิมุติยานศาสนะอันเป็นอเศษคะ่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบพฤทธิธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลพึงเป็นอุปชายะให้อุปสมบทได้ ที่ถูกต้องตามธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบได้ทำห้าอย่างพึงเป็นอาจารย์ให้นิสัยแก่คุูบุบุได้ทำห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือภิกษุในกรณีนี้หนึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอเศัยขะสองเป็นผู้ประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นอเศัยขะสามเป็นผู้ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นอเศขะ 4. เป็นผู้ประกอบเ้วยกรองวิมุติอันเป็นอาศะ 5. เป็นผู้ประกอบเ้วยกรองวิมุติญาณทัศนะอันเป็นอาศะภิษุทั้งหลายพิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลพึงเป็นอาจารย์ให้นิสัยแก่คุรบุตรได้ ควรมีสิทธิอุปถากภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำห้าอย่างเพึงให้สมมนเนธอุปถากได้ทำห้อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือภิกษุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วย ก, กองศีลอันเป็นอเาศะสองเป็นผู้ประกอบด้วย ก, กองสมาธิอันเป็นอาศะสามเป็นผู้ประกอบด้วย ก, กองปัญญาอันเป็นอาศะสี่ เป็นผู้ประกอบเรียกกองวิมุติอันเป็นอเศะค่ะห้าเป็นผู้ประกอบเรียกกองวิมุติยานศาสนะอันเป็นอเศะค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลพึงให้สามเณ น, นอุปถากได้ สุทั้งหลายภิกษุชั้นเถระประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างแล้วย่อมเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของพวกเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันองค์ประกอบห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอเป็นผู้มีศีลสมรวมด้วยปาติโมคะสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่เถือกันว่าเป็นโทษเล็กน้อย สมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เธอเป็นผหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วทำเหล่าใดมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดแสดงพรหมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเหล่านั้นอันเธอได้ฟังมามากแล้วจาได้ว่าได้คล่องแคล่วด้วยวาจา มองเห็นตามด้วยใจเจาะแทงทะลุอย่างดีด้วยความเห็น 3. เธอเป็นผู้เมตถ้อยคางดงามมีวิธีพูดได้เพราะมีถ้อยคาถูกต้องตามความนิยมแห่งชาวเมืองสละสลวยไม่ตะกุกตะกักทำให้เข้าใจความหมายได้ง่าย 4. เธอเป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลาบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเนื่องในจิตอันยิ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร ห้าเธอเป็นผู้กระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์ัญหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุชั้นเทระประกอบด้วยองค์ประกอบ5้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของพวกเพื่อนพรหมจันทร์ด้วยกันแล เถระที่ไม่ต้องระวังกัสปะภิกษุแม้เป็นเถระแล้วแต่เป็นผู้คร่ต่อไตรเสขาด้วยตนเองสันเสริญผู้ปฏิบัติในไตรเสข า, าชักจูงผู้ไม่รักไตรเสข า, ก, ากล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรเสข า, าตามเวลาที่ควรเกการยกย่องตามที่เป็นจริงกัสปะเร า, รา ท, ทาคตสัเสริญภิกษุเถระชนิดนี้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่า ภิกษุเหล่าอื่นรู้ว่าพระศาสดาสันเสริญภิกษุชนิดนี้ก็จะคบหาแต่ภิกษุชนิดนั้นภิกษุเหล่าใดคบหาภิกษุเถระชนิดนั้นเข้าก็จะถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างสื่อไปการถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์และเป็นความสุขแก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ่งกาลนานกัสปะ เพราะเหตุนั้นเราจึงสรรเสริญภิกษุเทระชนิดนี้แลเทระบันดิตภิกษุทั้งหลายคนเราแม้ยังเป็นเด็กหนุ่มรุ่นคนองผมดำสนิท ตั้งอยู่ในวัยเจริญเคือปฐมวัยแต่เขามีคำพูดเหมาะแก่การพูดจริงพูดได้ประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าววาจาม่ที่ตั้งไม่ที่อ้างอิงม่ที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นย่อมถึงการถูกนับว่าเป็นเถระบัณฑิตโดยแท้ ไม่วิปริกภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนทำมหาชนให้มีความสุขทำไปเพื่อความเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุเป็นเทระบวชมานานมีพรรษายุการมาก 2. เป็นที่รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งครหัสและบรรพชิต 3. เป็นผู้ร่ำโรยลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศสาประเรขาร 4. เป็นพระหูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสังสมธรรมที่ฟังแล้วมากและถึง 5. และเป็นสัมมาทิฐิมีทัศนะอันถูกต้องภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ทำคนเป็นอันมากให้เลิกละจากอสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุนั้นไปเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระบวชมานานมีพรรษาายุการมากบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งครหัตและบรรพชิตบ้างเพราะคิดว่า เธอเป็นภิกษุเทระที่ร่ำรวยลาบด้วยจีวรบิณตบาตฑเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริขารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่เป็นผู้หูสูตรทรงจำธรรมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนทำมหาชนให้มีความสุข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 ภิกษุเทระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุชั้นเทระนั้นไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่หลงไหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหล ไม่ตื่นเต้นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา 2. อภิกษุชั้นเทระนั้นเป็นผู้ปราศจากราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะเป็นผู้ไม่รบปลู่คุณท่านเป็นผู้ไม่ตีตนเสมอท่าน3ภิกษุชั้นเทระนั้นไม่เป็นคนหลอกลวงเก่งด้วยไม่เป็นคนพูดพิริพิายเก่งด้วย ไม่เป็นคนพูดหวานล้อมเก่งด้วยไม่เป็นคนปลูกคำท้าทายให้เกิดมานะเจ็บใจเก่งด้วยไม่เป็นคนหากำไรทำนองเอาลาบต่อลาบเก่งด้วย 4. ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนมีศรัทธามีความละอายบาปมีความเกรงกลัวบาปเป็นคนปรารกความเพียนเป็นคนมีปัญญา 5. ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนอดใจได้ในรูปทั้งหลาย อดใจได้ในเสียงทั้งหลายอดใจได้ในกลิ่นทั้งหลายอดใจได้ในรสทั้งหลายอดใจได้ในสัมผัสทางกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประคบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแล ไม่ฆ่าลูกกัสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายจงแสดงธรรมีกระทาแก่ภิกษุทั้งหลายบ้างกัสปะเราหรือเธอพึงช่วยกันกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายพึงช่วยกันแสดงธรรมีกระทาแก่ภิกษุทั้งหลายกล้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเวลานี้ภิกษุช่างเป็นคนว่ายากนักประกอบด้วยเหตุที่ทําให้เป็นคนว่ายากด้วยไม่อดทนไม่ยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพ ท่านพระมหากัสสะกราบทูลกัสสะจริงอย่างเธอกล่าวนั่นแหละในครั้งก่อนผู้พิกษุ์ชันเถระสมทานการอยู่ป่าเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นสมทานการบินทบายเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นสมทานการใช้ผ้าบางสุกุลเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทาเช่นนั้นสมทานการใช้จีวรเพียงสามผืนเป็นวัด และทั้งกล่าวสนรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้กำจัดความต้องการให้มีแต่น้อยและทั้งกล่าวสนรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้สันโดษและทั้งกล่าวสนรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้อยู่สงบและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้อยู่อย่างไม่ครุกคลีกันและทั้งกล่าวสนรเสริญการกระทำเช่นนั้นเป็นผู้ปรารบความเพียรและทั้งกล่าวสนรเสริญการกระทำเช่นนั้น บรรดาภิกษุชั้นเทระเหล่านั้นภิกษุรูปใดสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดละถึงเป็นผู้ปรารกความเพียรและทั้งกล่าวสนเสริญการกระทำเช่นนั้นภิกษุชั้นเทระทั้งหลายก็อาราธนาให้นั่งเฉพาะภิกษุเทระรูปนั้นด้วยคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงทั้งเป็นผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติจริงด้วย มาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้กสปะครั้นภิกษุชั้นเทระประพฤกษ์กันอยู่อย่างนี้ความคิดก็เกิดขึ้นแก่ผู้ภิกษุหมายว่าได้ยินว่าภิกษุรูปใดสะมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดและถึงเป็นผู้ปรารกความเพียรและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นด้วยพระเถระทั้งหลายย่อมนิมนต์เธอ น, น, นั้นด้วยอาสนะด้วยคําเป็นต้นว่า มาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่ออะไรภิกษุนี้ช่างนิวาสนาจริงทั้งเป็นผู้ใครต่อการปฏิบัติจริงด้วยมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้พวกภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นก็พากันประพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนาน ผานถูกหลักภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบม้าอย่างเหล่านี้แล้วควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสห้าอย่างอะไรบ้างเล่า5้าอย่างคือหนึ่งเจ้าอาวาสสมบูรณ์ด้วยมารยาสมบูรณ์ด้วยวัด 2. เจ้าอาวาสเป็นประหูสูตรเป็นเจ้าตํำรับ 3. เจ้าอาวาสเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลากเลิดยินดีในการหลีกเร้น ยินดีในกรยานธรรม 4. เจ้าอาวาสมีวาจาอ่อนหวานพูดเพราะหู 5. เจ้าอาวาสมีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงอะงะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5้าอย่างเหล่านี้แล้วควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสแล สมพานไม่ติดถิ่นภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอย่อมไม่มีความตรณีที่อยู่เคยไม่หัวงเสนาสนะที่สบายสบายเมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็แบ่งให้อยู่อาศัยด้วยความเต็มใจ 2. เธอย่อมไม่มีความตรณีสกุลอุปถาก เคยยินดีให้ภิกษุอื่นรู้จักมักคุ้นด้วยสกุลอุปถาของตน 3. เธอย่อมไม่มีการหวงลาบคือการอยู่อย่างมีจุดหมายไม่คิดสะสมสิ่งของจึงไม่มีการหวงสิ่งของต่างๆไว้เพื่อการสะสมยินดีแจกจ่ายลาบที่เกิดขึ้นเสมอ 4. เธอย่อมไม่มีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศเคยมีมุทิตาจิตกับผู้ที่ได้รับชื่อเสียงในถิ่นนั้นห เธอย่อมไม่มีการหวงคุณธรรมคือมีใจหวังอนุเคราะห์ให้ผู้อื่นเจริญด้วยปริยัติธรรมปฏิปัติธรรมและปฏิเวทธรรมไม่คิดจะเป็นคู่แข่งที่ครอบงำตนภิกษุทั้งหลายอ น, นิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายมีห้าอย่างเหล่านี้แล สมพานไม่ติดที่อยู่ภิกษุทั้งหลายอา น, นิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรบ้างเล่าหาอย่างคือหนึ่งภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีพันธะสิ่งของมากไม่เป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มาก 2. อภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายย่อมไม่มีเภสัตชมากไม่เป็นผู้ชอบสะสมเภสัตชไว้มากส ภิกษุอยู่ยังมีจุดหมายย่อมไม่มีกิจมากไม่มีการงานที่ต้องจัดต้องทำมากจึงเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงได้ 4. ภิกษุอยู่ยังมีจุดหมายย่อมไม่มีการคลุกคลีกับครรหัดและบันผชิตด้วยการคลุกคลีกันอย่างแบบครรหัดอันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณนะ 5. ภิกษุอยู่อย่างมีจุดหมายจะจากถิ่นที่อยู่นั้นไปเธอย่อมจาไปด้วยจิตที่ไม่ห่วงใหญ่ ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการอยู่อย่างมีจุดหมายมีห้าอย่างเหล่านี้แหละสวรรค์ของสมพานเจ้าวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างแล้ว ย่อมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ฉะนั้นองค์ประกอบห้าอย่างอะไรบ้างเล่าหอย่างคือหนึ่งพิสุเจ้าอาวาสย่อมใคร่ครวนไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนกล่าวตำหนิคนที่ควรตำหนิสองพิสุเจ้าอาวาสย่อมใคร่ครวนไต่สวนให้รอบคอบเสียก่อนกล่าวยกย่องคนที่ควรยกย่องสภิกษุเจ้าอาวาสย่อมใคร่ครวน ไต่สวนให้าารอบคอบเสียก่อนแสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 4. ภิกษุเจ้าอาวาสย่อมใคร่ครวนไต่สวนให้าารอบครอบเสียก่อนแสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหภิกษุเจ้าอาวาสไม่ทำทายธทานที่ทายกถวายด้วยศรัทธาให้ตกเสียไปภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าอาวาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมบันเทิงใจเหมือนถูกพาตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ฉะนั้นแหลหมวดที่สิบปดจบ